อ่วนอีกครั้งว่าปูตุชนละอะไรไม่ได้เลยนี่นะอันนี้ง่ายจำง่ายมากสรุปมีเต็มหมดพระโสดาบันละได้สองคือละทิฏฐานนุัยกับวิจิกิจานุายัยเพราะท่านยังเหลืออนุัสยอยู่ห้าอันนี้ก็ไม่จนเท่าไหร่พระสกธาคามีก็เหมือนพระโสดาบันส่วนพระนาคามีละการมราคานุสัยและปฏิคานุายัย เพราะฉะนั้นผ้านาคามียังเหลือภาะวะราคานุสัยมานานุสัยและอวิชานุสัยส่วนผ้ารหัสนี่นะไม่มีอนุสัยเพราะท่านละภวะราคานุสัยมานานุสัยและอวิชานุสัยอันนี้เรียกว่าแสดงโดยบุคคลถ้ากล่าวโดยโอกาสโอกาสคืออะไรโอกาสก็คืออุปติฐานคือที่เป็นที่เกิดแห่งอนุสัย ที่เป็นที่เกิดแห่งอนุสัยนั่นเองก็ว่าโอกาสทีนี้ถ้ากล่าวว่าพระโสดาบันบุคคลหรือโสดาบันเนี่ยนะโสดพระโสดาบันเนี่ยทำกิจทมปริญญาในส ก, กายะเพื่อละทิฏฐานุสัยทำปริญญาในส ก, กายะเพื่อละวิจิกิจฉานุสัยนะอันนี้พระ พระโสดาบันเป็นอย่างนั้นพระสกะทาคามีก็เพิ่มนะนทำปริญญาในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งปฏิคานุสัยกับการมราคานุสยัยแต่ละได้ห0เปอร์ซก็เลยเหมือนกับไม่ได้ละเนี่ยนะเหมือนนะเพราะว่ายังเหลือก็เลยเรียกว่ายังทำไม่เสร็จส่วนพระอนาคามีอนาคามีเนี่ยทำปริญญาใน เวทนาสองในการมาธาตุเพื่อละการมาราคานุสัยทำปริญญาในทุกขเวทนาละปฏิคานุสัเนี่ยนะพระอรหันต์ทำปริญญาในธรรมทั้งหมดในที่เหลือนเนี่ยนะเพื่อละมานานุสัยทำปริญญาในรูปประพบอรูปประพบเพื่อละภวะราคานุสัย ทำศัลทำปริญญาในส ก, กายะที่เหลือทั้งหมดเพื่อละอวิชานุสัยเห็นะหมพ้นอยู่ที่การทําปริญญาถ้าผู้ใดไม่ทําปริญญาในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้วัตถุเหล่านี้ถือว่าเป็นที่เกิดแห่งอนุสัยถ้าใครไม่ทําปริญญาในส ก, กายะทั้งปวงก็ชื่อว่าไม่ได้ทําปริญญาเพื่อละที่ฐานุสัยกับ วิจิกิจฉานุสัยถ้าไม่ทำปริญญาในเวทนาสองในกามธาต์ชื่อว่าไม่ได้ทำไม่ได้ละการมราคานุสัยถ้าไม่ทำปริญญาในทุกขเวทนาก็ไม่ได้ละปฏิคานุสัยเพราะว่าอนุสัยเพราะเป็นชื่อของกิเลส ท, ที่มีกำลังถ้าประจวบกับสิ่งนี้มันเกิดเลยอ่ะเช่นะพอทุกปั๊บอะไรเกิดโทสะนะเพราะความทุกเป็นที่เติ่งแทง เป็นที่เกิดของโทสะฉันั้นถ้าพูดความทุกขก์เท่ากับพูดปฏิคานุสัยถ้าพูดปฏิคานุสัยเท่ากับพูดความทุกข์อันนี้คือที่เกิดนะว่าต้องเกิดตามนี้เท่านั้นจึงจะเรียกอนุสัยถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ไม่เรียกอนุสัยเช่นว่าโทสะในสุขเวทนาไม่ชื่อว่าปฏิคานุสัยตันหาไปชอบทุกข์อะ ก็ไม่เชื่อว่าการมราคาอนุสัยมันต้องเป็นไปตามนี้จึงจะเรียกอนุใส่ผัสะะอนุสัยตัวอากุศลนี้เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ได้แช่อยู่เนี่ยนะสัพปัจจะได้ปั จ, จัยก็เกิดขึ้นเนี่ยนะท่านอยู่ที่ว่าถ้าไม่ทำปริญญาในวัตถุเหล่านี้บุคคลผู้ไม่ทำปริญญาในวัตถุเหล่านี้เหมือนว่ามันมันยังอยู่ในโคโจรของ ของของอนุใส่เนี่ยนะถามว่าจะเรียกบุคคล น, นั้นว่ามีอนุสัยหรือไม่มีก็เหมือนเขาว่าอยู่ในดินแดนของอนุสัเน่ยนะก็เลยเรียกว่าบุคคล น, นั้นเป็นผู้มีอนุสัยเพราะเพราะอะไรเพราะไม่ทําปริญญามันสำคัญมาในในมหาวาระเนี่ยท่านพระองค์แสดงวาระแรกนะอนุสยวาระวาระว่าด้วยการนอนเนื่องนอนเนื่องอย่าลืมนะแปลว่าเกิดนะ สองสารนุสยะวาระก็คือว่าด้วยการมีอนุสัยแลวก็สามปชหนะหะณะวาระว่าด้วยการละละด้วยปะหานะปริญญาเนะ่วาระว่าด้วยละด้วยปะหานะปริญญาสร็จต่อไปสปริญญาวาระวาระว่าด้วยการรอบรู้แล้วก็ต่อไปปะหินวาระเนี่ยนะ วาระว่าด้วยการละแล้วก็อุปัชชะวาระอุปัชชะนะอุปัชชนะนะอุปัชชนะวาระวาระว่าด้วยการเกิดและสุดท้ายธาตุวาระวาระว่าด้วยภพสามว่าใครที่มีอนุสัยเกิดจากภพนี้แนละ้วจะไปเกิดที่ภพไหนต่อเออขออภัยถ้าตายจากภพนี้นะถ้าเช่นถ้าคนมีอนุสัยนะถ้าตายจากกรรมมาภพจะไปเกิดที่ไหนได้บ้าง ถ้าไม่มีอนุสัยตายจากการมาพบไม่เกิดที่ไหนบ้างอย่างเงี้ยนะก็จะพูดลักษณะ น, นี้อันนี้เรียกว่ากลมธาตวาระเนเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะปัญญาณะวาระปริญญาวาระประหินวาระเนี่ยจะทำให้เข้าใจในเรื่องการการทำปริญญาขึ้นหรือบุคคลผู้ทำปริญญาในอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะการที่จะเข้าใจในเรื่องอนุสัยก็ต้องเข้าใจในเรื่องการบรรลุอริยสัจ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการละเกี่ยวกับเรื่องการทำปริญญาหรือเกี่ยวกับบุคคลที่ละแล้วเพราะว่าปรชาชหานะหมายถึงปหานะปริญญาฐานะปริญญาก็ต้องเป็นมัชใช่ไหมปริญญาวาระนี่ตรงๆเลยคือมัชประหิณนะวาระคือผู้ที่ละแล้วก็ได้แก่อริยผลบุคคลนะ่ไหม มันเกี่ยวกับเรื่องอนุสัยนั้นไม่ได้นอนแบบคือขณะที่คุณโกรธ่ะนะโกรธในสิ่งที่โกรธในความทุกข์เนี่ยอนุสัยมันนอนอยู่ตรงไห น, น, น ก, ก, ก็อันนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องละอันนั้นไอไอทฤษฎีนั้นของคุณเองนะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอืม มันนอนอยู่ตรงไหนอันนี้คือคือเาเรียกว่าเราติดในโวหารจนต้องเครียกว่าใช้คำว่ามีอยู่จริงเหมือนกับว่ามันมันอะไรขณะที่พวังกจิตเกิดนี่มีอนุสัยไหมขณะนั้นไม่มีอนุสัยแต่พวังเป็นโอกาสของอนุสัยเป็นอุปติฐานะคือเป็นที่เกิดแห่งอนุสัย ไม่ใช่อืมเอาเอาเอ า, เ อ, าอย่างงี้นะว่าอนุสัยเนี่ยนะอา่าถ้าพูดถึงเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยอา่าถ้าถ้าเปรียบเทียบไอโอประมาณหนึ่งก็บอกว่าความเจ็บคนเจ็บแผลเนี่ยนะถ้าพูดถึงแผลโดยมากก็พูดถึงเท่ากับพูดถึง เจ็บถ้าพูดเจ็บก็แสดงว่าปวดที่แผลเพราะฉะนั้นแผลกับความเจ็บคือสิ่งเดียวกันไหมเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันเอาคนมีแผลหลับไหมหลับเจ็บไหมไม่เจ็บและตอนเจ็บก็ยังมีแผลตกลงเอาไงถ้าพูดถึงแผลเท่ากับพูดว่าที่เกิดของความเจ็ บ, จบถ้าพูดความเจ็บก็แสดงว่า แสดงว่าพูดถึงแผลด้วยเพราะว่าเจ็บมันอาศัยแผลถ้าบอกว่าแผลนี่นะแผลคือความเจ็บปวดพูดถูกไหมไม่ถูกเพราะมันไม่ได้เจ็บตลอดแต่ถ้าพูดแผลปั๊บเมื่อไหร่ก็เท่ากับแสดงว่ามันเป็นที่เกิดแห่งความเจ็บถ้าพูดทุกขเวทนาแล้วชื่อชื่อว่าเป็นที่เกิดของปฏิฆาแต่คนทําปริญญาเนี่ยนะขนาที่ทุกเกิดเนี่ยถามว่ามีโทสะไหม ไม่มีแล้วทำปริญญาจนอนาคามีมรรคเกิดเนี่ยนะไอ้ทุกอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งปฏิฆานุสัยไหมไม่เป็นไม่เป็นมันอยู่ที่ว่าทำปริญญาหรือไม่แต่ถ้าไม่ทำปริญญาทุกขเวทนาเหล่านี้อเป็นโอกาสเหมือนกับว่าแผลนะสมมุติถ้าคนมีแผลแล้วฉีดยาชารักษาจนหายโดยที่ไม่เจ็บได้ไหมคือคือมันด้วยกรรมวิธีบางอย่างสามารถทาให้ไม่เจ็บแผล แล้วก็รักษาจนแผลหายโดยที่ไม่ต้องเจ็บเนี่ยทำได้ไหมเอาไมเอาไม่ใช่เฉพาะตัวแผลทีหมายง่าเจ็บเพราะฉีดอีกเดี๋ยวก็คุยกันไม่มีจบแล้วกันยุ่งเลยอุปมาไปอุปมามามันจะวุ่นวายกันใหญ่เลยนะนึกว่าหนักนึกว่าบางอย่างก็พอแต่เข้าใจก็พอแนะไปลงรายละเอียดมากมายนะัก คือการอุปมาบางอย่างเพื่อให้สําเร็จเนื้อความบางอย่างแต่ไปคิดตามอุปมานั้นทั้งหมดไม่ได้เหมือนอย่างว่าคําว่าเหมือน้เสื้ออะไรมาเหมือนทองเลยโอ้โหอะไรเหลืองเหมือนทองเลยนะแสดงว่าไม่ใช่ทองอันนี้ก็เหมือนกันไอ้คำว่าเหมือนเหือนเนี่ก็เหมือนกันนะนะจะไปคิดจนละเอียดว่าเอะแล้วมันเหมือนทองไอ้ทาไมมันไม่ไม่ไม่แข็งเหมือนทองมันขายไม่ได้เท่าทองเฮ้ยมันก็มันก็บอกว่าเหมือนอันนี้ก็เหมือนอย่างว่าก็เหมือนกันนะเนี ก็ <g ül> ตรงนี้เห็นชัดครับคือว่าเมื่อเห็นดอกพุหลาบงามๆปกติเนี่ยนะครับคนทั่วไปก็ต้องเกิดโสมนัสเวทนาเนี่ยนะครับ um. เกือบชอบนะครับก็หมายความว่าการกามราคานุสัยนี่ย่อมย่อมเกิดถูกไหมครับแต่ถ้าก็มีบางคนที่ที่ไปมีโทสะครับดอกงามๆอย่างนั้นแต่ไม่มีอนุถือว่าไม่มีปฏิคานุสัยเกิดเนี่ย อ, อันเนี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่อันนั้นไม่ใช่ไม่เรียกว่าปฏิคานุใสไม่ใช่เรียกไม่เกิดนะฮะไมมี ก็เพราะว่ า, าโทสะอยู่แต่ไม่เรียกว่า<ช>เอาเอาอย่างนี้นะคําว่าลูกนะคําว่าบุตรบุคคลผู้เป็นบุตรเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอะไรเป็นที่ตั้งแห่งสุขสมมนับใช่ไหม<ช>เอาเอาลูกนะบุตรทีนี้บุตรเนี่ยปวดปวดอะไรดีปวดเพราะตัวร้อนเป็นไข้นอนไม่หลับเป็นหวัดจามปวดฟันเป็นต้น น, นะนะปวดอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง <c oughs> ถ้าปกตินี่คนพูดถึงลูกเนี่ยนะโดยมากก็บางบางครั้งก็เฉยบางครั้งก็ดีใจใช่ไหมโสมนัสเกอุเบคาแต่ถ้าบอกว่าลูกป่วยพ่อแม่เนี่ยสุกโสมนัสไหมไม่สุขโสมนัสโทมนัสโทมันัสใช่ไหมใช่แล้วโทโทสะเกิดร่วมใช่ไหมโทสะนี่เกิดร่วมไม่บุตรแล้วคิดว่าขอให้บุตรนั้นมันปวดมากมขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็น เพราะฉะนั้นเมื่อคิดถึงบุตรนะแล้วแล้วปรารภถึงบุตรนะถ้าปรารภไปที่ตัวบุตรเนี่ยอาจจะไม่สบายใจแต่ไม่เรียกว่าปฏิคานุสัยเพราะบุตรเป็นที่ตั้งแห่งเรกว่าการมราฆานะแต่ถ้าพูดถึงตัวปวดเลยอันนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งปฏิคานุสัยเพราะพ่อแม่เนี่ยคิดทำลายไอ้ตัวความปวดอั น, นั้นแต่ไม่ใช่ทำลายทาลายบุตรเพราะฉะนั้นตัวบุตรคือตัวอะไรตัวขันห้าใช่ไหม ตัววิบากกับกรร ม, มชรูปที่ ท, ที่ที่น่าปรารถนานะอันนั้นน่ะน้อมในความเป็นเป็นบุตรใช่ไหมแต่มันมีไอตัวความทุกข์ที่เรียกว่าพ่อแม่นี่ต้องการทําลายไอความทุกข์อ น, นั้นมากเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าปรารบถึงทุกตัวทุกขเป็นปฏิคานุสัยแต่ถ้าปรารบถึงบุตรด้วยด้วยแกก็เสียใจนะเพราะลูกเราไม่สบายใช่ไหมแต่ก็ไม่เรียกว่าปฏิคานุสัย แล้วก็ต้องแยกกันในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นโทสะหรือที่เกิดขึ้นโดยอารมณ์เนี่ยถ้าเกิดในสิ่งที่น่าพอใจนี่จะไม่เรียกว่าเป็นปฏิคานุสัยแต่ถ้าไปเกิดในสิ่งที่ไม่น่าพอใจเรียกเช่นทุกขเวทนาอันนั้นจึงจะเป็นปฏิคานุสัยเพราะคิดถึงลูกนะถ้าเป็นปฏิคานุสัยต้องคิดทําลายสิแต่นี้เพราะว่าเจตนาที่แบบลักษณะคิดทําลายะนะสำหรับปกติสามัญทั่วไปะนะ เขาไม่คิดทำลายอยู่แล้วก็มีแต่หวังความเจริญเป็นต้นอย่างเดียวดังนั้นอ น, อนุสัยนั้น เ, เกิดขึ้นจะต้องตามนี่ต้องเป็นไปตามนี้มันเหมือนกับเป็นตารางให้นะตารางให้ว่าจะต้องเป็นไปตามแนวนี้นะจึงจเรียกอนุสัยถ้ามันเกิดเช่นการมราคะไปชอบทุกขเวทนาก็ไม่เรียกอนุสัยถ้าโทสะไปโกรธสุขเวทนาก็ไม่เรียกอนุสัยอย่าง พันไปศึกษาในเรื่องบุคละเรื่องบุคคลกับโอกาสและบุคคลบวกโอกาสเรียกว่บุคลโอกาสให้ดีแล้วก็จะจะเข้าใจคำถามนี้ทั้งหมดแต่สำคัญว่าอนุสัยนั้นจึงไม่ได้นอน <Yeah. S 1> อ่าคือคือคำว่านอนเนี่ยของเรามันนอนอยังไงอ่ะเราก็จะคิดแบบเราอ่ะนะแต่ว่าไอ้คำว่านอนในทางธรรมะแปลว่าอนุสยะกับอุปัชนะตัวนี้มันเหมือนกันเช่นว่าอนุสยัยอ่อชคตัวอย่างเช่น การมราคานุสัยนอนเนื่องแก่บุคคลใดปฏิคานุสัยนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นใช่ไหมอามาันตาใช่อันนั้นวาระว่าด้วยนอนเนื่องนะทีนี้ผู้การก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็งงเลยนะบอกว่าปฏิคานุใสเอ่อขอไปการมราคานุสัยเกิดขึ้นแก่บุคคลใดปฏิคานุสัยชื่อว่าเอ่อเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นใช่ไหมผูม้ ก, การบอกไม่ใช่แต่จริงๆมันคือสิ่งเดียวกันนะ่ะ อนุสัยกับ อ, อนุสยะนะกับอุปัชนะเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันเพราะในคำว่าเกิดของท่านกับเกิดของเรามันจึงไม่เหมือนกันคือเขาบอกว่าอย่างเขาบอกว่าเหมือนอย่างว่าอสมมุตินะว่าอาจารย์ทั้งหลายเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์เนี่ยถามาตอนที่เขาทําอย่างอื่นนี่ก็ยังเรียกเขาว่าอาจารย์ไหมเขาไม่ได้สอนเนี่ยเรียกอาจารย์ไหย <Yeah. S 1> ก็ยังเรียกหรือเขาบอกว่าคนในคมพี์ท่านก็บอกว่า คนที่ไปวาดภาพะนะเนี่ยกลังปกติอาชีพเขาเป็นนักเขียนนักเขียนภาพใช่ไหมตอนที่เขาไปทําอย่างอื่นเรียกว่าเป็นนักเขียนไหม mm. ก็เป็นอ่นนะเป็นเพราะอะไรเพราะเพราะบุคคล น, นั้นเนี่ยอาศัยว่าเขาเคยเขียนเขาจากัจากจัเขียนต่อไปเพราะนั้นคําว่านอนเนื่องหรือคําว่าเกิดในที่เนี้ย่แปลว่าบุคคล น, นั้นยังไม่ได้ละเพราะบุคคล น, นั้นยังไม่ได้ละเรียกว่าย่อมเกิด เพราะยังไม่มีมรรคอ่ะเพราะยังไม่มีมรรคอ่ะนะเพราะตัวที่ละอนุสัยจริงๆก็เป็นเป็นมรรคเพราะนั้นเขาจึงไม่พูดว่าละอนุสัยที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันนนะถ้าเปรียบเทียบอีกในหนึ่งนะกุศลเนี่ยละอกุศลใช่ไหมเมตตาละอะไ ร, ระละโทสะแน่ใจนะแน่ใจเดี๋ยวจะถาม ถ้าว่าเมตตาละโทสะจะถามเตรียบตอบให้ดีๆกันแล้วกันอบอกเมตตาละโทสะเงีนะคือตอนนี้มีอตอนตอนแรกมีโทสะใช่ไหมตอนหลังเนี่ยเจริญเมตตาอย่างมากเลยแล้ว แล้วโทสะที่เคยเกิดมันจะลดลงนะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยใช่ัหมตัวโดยอนุภาพของเมตตาเมตตาละโทสะอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็เข้าล็อกกันแล้วครับตกลงเราไงอ่ะ เอาเมื่อกี้ก็บอกเมตตาละโทสะไม่ใช่เหรอถ้าเมตตาละโทสะปัจจุบันเอางั้นขณะคุณโกรธคุณก็มีเมตตาสิก็ไม่ใช่ละโทสะในอดีตสมมุติคุณไปด่าคนอื่นไว้ด้วยโทสะเมื่อวานนะคุณเจริญวันนี้แล้วไปละอันเมื่อวานใช่ไหมไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่คุณเจริญเมตตาตอนนี้นะไปลดโทสะของพรุ่งนี้ใช่ไหมคือหมายความว่าอสมมุติว่าวันนี้เราก็เจริญเมตตาใช่พรุ่งนี้เรามีโทสะอนะเมตตาวันเนี้แต่ละไอ้โทสะอันแล้วทำไมบอกว่าเมตตาละโทสะ เลยนะ <c oughs> โอ้ยเนี่ยเคือไออย่างนี้แหละเรียกว่ามันซับซ้อนอ่ะนะเป็นปัญหาที่เรียกว่าไหนนะนั่นแหละอ <c oughs> <c oughs> ธิบายว่าไงดีแคนี้อันนี้เหมือนกันนะเหมือนอีกในหนึ่งอ่ะนะถ้าเป็นรูปธรรมสมมุติว่ามีเอาถ้ากันแล้วกันมีถ้าอยู่ถ้ำหนึ่งปกติถ้าเรียกว่าถ้าถ้าอะไรที่ทําลอดนะคุณชูศรี ทำรอดรอดนี่มีหอนำไห ม, ไ ม, มไม่มีน ะ, ะ, ะนักเข้ามันจะเขียนไม่ถูกมันมี่น้ า, าจานไรนี้เลยอ๋อนะถ้ำรอดปกติถ้ำรอดมันทำ ม, มืดอะนะมืดมิดเลยอะทีนี้ไอ้ถ้ำ ท, ที่ปกติมันเป็นที่มืดมืดเนี่ยนะก็มีคนถือเกียงเจ้าพายุเข้าไปตัเกียงไง เข้าไปในถ้ารอดเนี่ยทีนี้ตะเกียงนี่ปกติมันทำลายความมืดใช่ไหมแสงสว่างมันทำตัวทาลายความมืดใช่ไหมใช่ทีนี้ไอ้ตะเกียงอันนี้ทำลายความมืดอดีตไอตัวตัวตะเกียงเนี่ยแทนคว่าแสงสว่างก็แล้วกันตัวแสงสว่างเนี่ยทำลายความมืดใช่หรือไม่บอกใช่แล้วแสงสว่างทำลายความมืดอดีตอนาคตหรือปัจจุบัน ถ้าทำลายความมืดในอดีตถ้าจุดวันนี้นะไอ้พรุ่งวันก่อนๆนี่สว่างไว้หมดแล้วใช่ไห ม, มก็ไม่ใช่ถ้าจุดถ้าตอนที่แสงสว่างเกิดพรุ่งนี้มันมันสว่างไปตลอดการใช่ไหมมันก็ไม่ใช่แล้วความสว่างกับความมืดนี้เกิดร่วมกันไหม ไ, หไม่มีแสดงว่าสว่างก็ไม่ใช่มืดมืดก็ไม่ใช่สว่างแล้วแล้วทาไมบอกว่าแสงสว่างกาจัดความมืดมันกาจัดความมืดอดีตอนาคตหรือ ปัจจุบันเพราะฉะนั้นบางอย่างนะเราอย่าไปยืนอยู่ไอ้บนหลักการว่าอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรจนเกินไปใช่ไหมแต่สรุปว่ารวมๆ ว, ว, ว่าเนี่ยถ้าสว่างมันก็ไม่มืดอ่ะถ้ามืดมันก็ไม่ไม่สว่างทีนี้วัตถุอะนะตัวมืดตัวสว่างเนี่ยอาศัยอะไรอ่ะนะในทางธรรมะเราจะไม่มาคิดเรื่องมืดกำจัดสว่างสว่างกำจัดมืดเขาจะพูดว่าถ้าตัวนี้มันเป็นที่ตั้งแหง่ง ความมืดเพราะมีถ้าจึงมีความมืดสมมตินนะอันนี้ไม่ใช่ถ้ารอดเพราะถ้ารอดเขาไม่คิดระเบิดแต่นี้นมันมีถ้าอยู่ที่มันร้ายมากในเนี่ยนะมีแต่ความเสียหายตลอดถ้าจุดสว่างปับ๊บมันก็จะเห็นความเลวร้ายของถ้าถ้าถ้าไม่เห็นซะมันก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าสว่างปับ๊บเห็นความเลวร้ายเลยทีนี้ทํำยังไงที่เรียกว่าจะทำลายไอ ไ, อไอความความมืดที่ปกติดความเลวร้ายของถ้ำ โครงการเขาทำยังไงดีทาหารบอกระเบิดจังเลนะทำลายถ้ำนี้ซะเพราะถ้ำนี้เป็นดินแดนแห่งความชั่วร้ายเป็นที่ตั้งแห่งความมืดถ้าไม่มีถ้จาจกมีความเลวร้ายมีความมืดแต่แต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกับการทำลายถ้ำที่มันอันนั้นอะจนไม่ต้องเป็นที่ตั้งแห่งความมืดและความสว่างอีกต่อไปเนี่ยนะ แต่ถ้าน้อมไปปราลบว่าความเป็นถ้ำเมื่อไหร่ก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความมืดกับความสว่างใช่ไหมถ้ายังมีขันขณะที่มีขันเป็นอารมณ์นะถ้าโยนิโสมนัสิการเกิดเป็นกุศลเรียกว่าสว่างาขันนะถ้าไม่โยนิโสมนัสิการในขันเรียกว่าอากุศล <c oughs> ถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยจะเป็นต้องมืดต้องต้อ ง, องเป็นต้องอะไรไหมไ ม, ออไม่เข้าทั้งสองอย่างเลยใช่ไหม แต่ถ้ายังมีขันเป็นอารมณ์เนี่ยจะต้องเกี่ยวกับโยนิโสอะโยนิโสแต่ถ้ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ไม่เกี่ยวละเห็นไหมไม่ไม่เกี่ยวว่าจะต้องต้องใช้พระมืดสว่างเอาไว้ใช้กับถ้าถ้าไม่มีถ้ำมันจะต้องใช้มืดใช้สว่างไหมวิปัสสนาทั้งหลายก็เหมือนกันโมหะเกิดในขันวิปัสสนาก็พิจารณาขันถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์มันเกี่ยวอะไรกับโยนิโสอะโยนิโสแบบธรรมดาอย่างนี้เห็นี้ ก็อุปมาเหล่านี้ก็ไปคิดเอาต่อไปกันแล้วกันเพราะเราจึงเห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้ดีจะรู้ว่าขันห้ามันเป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยถ้าบุคคลใดไม่ทําปริญญาในขันห้าบุคคลนั้นก็เรียกว่าไม่ทําปริญญาในอนุสัยชื่อว่ายังไม่ได้ละอนุสัยเนี่ยนะเพราะ ถ้าจะกล่าวให้ตรงๆนะเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าเราเจริญเมตตาแล้วมันละโทสะอะไรแต่ถ้าเจริญเมตตามากๆแล้วโทสะมันไม่ค่อยเกิดใช่ไหมถ้าเจริญเมตตาจนได้ฌานเป็นต้นแล้วฌานที่ตั้งมั่นในใครด่าก็ไม่ไม่โกรธ ด, ด้วยอนุภาพของเมตตาฉันใดผู้ที่เจริญวิปัสสนาจนบรรลุอริยมรรคบรรลุพระนิพพานนะนะหลังจากนั้นอะที่ตรงนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่ง อนุสัยอีกต่อไปถ้าทำปริญญาในวัตถุนั้นจนบรรลุมรคนิพพานดังนั้นข้อสำคัญที่สุดคือการเข้าไป ท, ทำปริญญาจนเช่นทำปริญญาในสุขเวทนาในกามธาตุจนละกามราคาอนุสัยทำปริญญาในทุกขเวทนาเพื่อละปฏิฆานุสัยทำปริญญาในเวทนาสองในภพสามเพื่อละมา น, านุสัยทำปริญญาในสกายะ คืออุปาทานขันท่าเพื่อละทิทฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสยัยทำปริญญาในรูปประพบารูปประพบเพื่อละภวะราคานุสยัยทำปริญญาในสกายะทั้งหมดเพื่อละอวิชานุสยัยเพราะว่าดินแดนแห่งนั้นเป็นโคจรแห่งอนุสยัยพูดยังไ ก, กลามากเลยนะสรวันที่เดินเดินยืนนั่งเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอนุสยัยเป็นโอกาสแหง่ง อนุใสสรุปก็ใครเข้าใจยังไงพรุ่งนี้ทํารายงานเอาไหม